ส่วนปุช้าอีก3ประการก็คือถามถึงประโยชน์ตนถามถึงประโยชน์ผู้อื่นถามถึงประโยชน์ทั้งทั้งสองเนี่ยนะบางคนก็ถามเพื่อประโยชน์ของตัวเองบางคนก็ถามเพื่อจะสงเคราะห์คนอื่นเนี่ยนะอย่างพาหันหลายๆรูปเนี่ยถามปัญหาเพื่อจะสงเคราะห์ลูกสิธิ์ของท่านเนี่ยนะต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นมหาปุณณะสูตรเนี่ย <peanuts millionaire> พาหาันถามปัญหาเพื่อสงเคราะห์ลูกสิธิ์หรือภาษาริบุตรท่านถามปัญหาเพื่อจะสงเคราะห์ลูกสิธิ์ของท่านเนี่ยนะ หรือปุชชาอีก3ประการก็คือถามถึงทิฏฐธรรมิกถะประโยชน์คือถามถึงประโยชน์ในปัจจุบันถามถึงประโยชน์ในสัมปรายภพหรือถามถึง AH ประมัติประโยชน์คือ TH IS TH IS TH IS ถามถึงพระนิพพานนะถามถึงประโยชน์ในโลกนี้ก็คือถามถึงการประกอบอาชีพเป็นต e AH ้นการแสวงหาทรัพย์การรักษาทรัพย์การดูแลทรัพย์การใช้จ่ายทรัพย์อ น, นะคำถามลักษณะนี้แหละก็เรียกคำถามใน Th IS TH IS TH IS ทิฏฐธรรมส่วนคําถามถึงประโยชน์เบื้องหน้าว่าจะไปสู่สุคติได้ยังไงเนี่ยนะก็ถามถึงทานศีลเป็นต้นนั่นแหละ ส่วนประมัถประโยชน์ก็คือถามถึงพระนิพานอันนี้หมายถึงถามข้อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระนิพานอย่างพร ะ, ะมนพสิบหกท่านเนี่ยนะที่มาถามปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาประเภทประมัถประโยชน์ทั้งนั้นเลยเรียกว่าถามเพื่อถามปัญหาเพื่อพระนิพานทั้งนั้ น, น, น, น, นส่วนปุจฉาอีกสาประการก็คือการถามถึงเนื้อความอันไม่มีโทษ การถามถึงเนื้อความอันไม่มีกิเลสการถามถึงเนื้อความอันผ่องแผ้วเนื้อความอันไม่มีโทษก็คืออริยมรรคกันนะเนื้อความอันไม่มีกิเลสก็คืออริยผลผ่องแผ้วก็พระนิพพานส่วนบางทีก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการบางทีก็ถามเรื่องอดีตบ้างอน า, าคตบ้างและปัจจุบันบ้างอย่างเช่นภาษาดีบุตรท่านถามว่าพระพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีมาอย่างไรไปประพฤติข้อปฏิบัติอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้า น, นี้ก็เจกถามเรื่องอดีตหรือถามว่า คนเหล่านี้ทำบุญไปแล้วอนาคตเขาจะมีผลอย่างไรอันนี้เรียกถามปัญหาในอนาคตหรือถามปัญหาปัจจุบันก็อย่เหตุการณ์ที่กําลังมีอยู่เนี่ยว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนะเรียกปัญหาในปัจจุบันหรือบางทีปุดฉายอีก3ก็คือถามภายในบางทีก็ถามปรารกภายนอกบางทีก็ถามทั้งภายในและภายนอกภายในก็แบ่งเช่นถามอายตนะภายในหรือถามอายตนะภายนอกหรือถามอายตนะทั้งภายในทั้งภายนอก ภายในบางทีก็หมายถึงตัวเองภายนอกก็คนอื่นบางทีก็ถามทั้งปัญหาทังตัวเองและผู้อื่นปุชัยอีก3ก็คือถามเรื่องกุศลหรือถามเรื่องอกุศลหรือถามอพยาคตะถามกุศลก็เช่นถามกุศลกรรมบท10เป็นต้นเนี่ยนะหรือถามอริยมรตมีองค์8หรือถามโพธิปักจจยธรรมพวกนี้ก็ถามกุศลหรือถามมักขสัตนะนะส่วนถามอกุศลก็คือถามเรื่องสมุทัยถามเรื่องกิเลสถามเรื่องอกุศลกรรมบท ส่วนอภยากตะทั้งหลายก็คือพวกรูปหรือวิบากของกุศลและอกุศลพวกนี้ก็เป็นอัพยากตะบางทีก็ถามเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะเรื่องขันก็ดูในขันทวรวักเนี่ยนะใหญ่มากหรือบางทีก็ถามเรื่องธาตุเช่นในธาตุสังยุตหรือถามเรื่องอายตนะหรือสลายตนะสังยุตเนี่ยก็เป็นคําถามเกี่ยวกับเรื่องขันาธาตุอายตนะบางทีก็ถามเรื่องสติประธานเรื่องสัมมารประธานอิทิบาทนี่ก็ถามปัญหาประเภทเพื่อเพื่อความตรัสรู้เนี่ยนะ ถามโพธิปัจจะธรรมถามสติปฐานว่าสติปทานเป็นไงนะอย่างงี้ยนะสมะปรปทานเป็นไงนะอิทธิบาทเป็นไงนะหรือถามเรื่องอินทรพละพุทธชงทีก็ถามถึงอริยมรรคถามอริยผลแล้วก็ถามถึงนิพพานมันลักษณะของปุจฉาที่กล่าวไปเนี่ยมี36ประเภทสามสิคำถามคือลักษณะคําถาม36ชนิดเนี่ยนะว่าโดยใหญ่ๆแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วกลุ่มคําถาม36กกลุ่มเนี่ยนะ ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนั้นก็12กลุ่มกลุ่มละ3ามก็เป็นสามสิบหกผู้ที่จะตอบปัญหาก็ต้องแยกแยะวินิจฉัยคําถามเหล่านั้นได้เนติปกรณ์เรียกว่าเอาคําถามเนี่ยมาวิจัยก่อนเนี่ยนะเรียกว่าเอาคําถามนี่มามาวิจัยในะวิจยหาระเนี่ยนะมาใไข ค, รครวรพิจารณาถึงคําถามเหล่านั้นสรุปคําที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะที่ ปุณกกะพราม์เนี่ยถามว่าค่าพระองค์มีความประสงค์ด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่หวั่นไหวผู้เห็นมูลฤาษีมนุษย์กษัตริย์พราหม์เป็นอันมากในโลกอาศัยอะไรจึงพากันสแสวงหายันให้แกเทวดาทั้งหลายเนี่ยไง ถ้าถ้าเป็นเนี่ยก็เห็นเห็นนะนะทำไมไปบูชาพระเจดีย์กันเนี่ยนะสแสวงหางดอกไม้ข้าวน้ําไปสแสวไปถวายพระไปอะไรทั้งหลายแลยเนี่ยนะอาศัยอะไรจึงทําแบบนั้นข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์ตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสต่อว่าฤาษีมนุษย์กษัตริย์พราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งนี้เป็นอันมากในโลกนี้ พากันสแสวงหายันแกเทวดาทั้งหลายดูก่อนปุณกะหรือสีมนุษย์กษัตริย์พราหมเป็นอันมากในโลกนี้เหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้นะคือเขามีความปรารถนาของเขาอ่ะนะแล้วก็อาศัยชราจึงพากันสแสวงหายันแกเทวดาทั้งหลายคือเขามีความปรารถนาเขามีความต้องการอ่ะนะเสร็จ แ, แล้วก็เนื่องจากชีวิตของเขาเนี่ยอาศัยชราเขามีทุกข์ในวะะัฏฏะเขามีปัญหาอยู่ เพราะเนื่องจากเขามีความหวังเขามีความทุกข์เนี่ยเขาเลยสแสวงหายันให้แก่เทวดาซึ่งอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาบอกว่าหวังความเป็นอย่างนี้มาจากคําว่าอาสิงสมานาเนี่ยนะคือเขามีความหวังอ น, นะเขาจึงต้องทําแบบนั้นเขาหวังอะไรเขาหวังอยากได้รูปอยากได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้โพธภิภพสังเกตดูนะเวลาจบทั้งหลายเวลาเขาจบเวลาจะให้ทานอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งนะโอ้ที่ฐานยังงั้โอ้ยที่ฐานเยอะเนี่ยนะโดยมากอ น, นะน้อยคนนักที่จะ โดยจิตจริงๆอ่ะตั้งเพื่อพระนิพพานโดยมากก็ตั้งเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิน่นเพื่อรสนี่นะบางคนก็นะถ้าเท้าจให้ทานวันใกลหวยออกแล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยก็แถวๆนั้นนหะบางคนก็ตั้งความปรารถนาเพื่อให้ได้บุตรเพื่อให้ได้ภรยาบางพวกก็หวงังเพื่อให้มีทรัพย์มียศมีความเป็นใหญ่ บางพวกก็หวังอยากจะเกิดในสกุลกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาคลคึ้หาบดีมหาศาลก็แปลว่าอยากเกิดในตระกูลนี่มั่งมีร่ํารวยเนี่ยนะบางทีก็หวังในอัตภาพขอให้เกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิ ม, มานารดีปรินิมิตาวสวัสดีบางทีก็หวังปรารถนายินดีประสงค์รักใคร่ชอบใจซึ่งการได้อัตภาพในเทวดาที่นับเนื่องโดยพรมทั้งเขาหวัง แล้ง่ายๆก็หวังวัตถุกกรรมทั้งหลายนั่นแหละหวังเป็นจากาะกรรมมคุณ5 ห, หวังทรัพย์สมบัติหวังเกิดในภพที่ดีตระกูลที่ดีเป็นต้นเนี่ยนะเพราะที่เขาทําบุญก็เพราะเขาหวังแบบนั้นซะส่วนใหญ่อ่นนะโดยมากเลยแหละวังนั้นทําไม่ได้พวกไม่ได้ศึกษาพราะธรรมทั้งหลายเป็นอย่างนี้เกือบทั้งหมดที่ไม่ได้ศึกษาอริยศาสตร์เนี่ยนะโดยมากจะหวังกันแบบนี้ถามว่าทําไมเขาจึงต้องหวังแบบนั้นเขาอาศัยอะไรเขาจึงหวัง ก็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยอาศัยชราก็เพราะเขาชรานะเพราะเขามีความทุกข์อ่ะนะเขาจึงหวังแบบนั้นก็เนื่องจากว่าอาศัยชราอาศัยพญาที่อาศัยมรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตคือเขาเดือดร้อนอ่ะนะเขามีปัญหาก็ปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันะนะบางคนก็แก่นะเพราะออีกไม่นานก็จะตายแล้วเนี่ยนะก็เพราะความแก่ก็เลยทําบุญก็าปาฏิาริย์ บางคนก็เพราะเนี่ยความเจ็บป่วยเพราะจะตายเพราะความเศร้าโศกเสียใจพิไรราพันไม่สบายกายไม่สบายใจอ่ะเนื่องจากมีปัญหาอย่างนี้เพราะเขาก็เลยเที่ยวหาข้าวหาของไปทําบุญตั้งความปรารถนาเพราะฉะนั้นก็เพราะอาศัยชาติชราพยาธิมรณะโศกปริเทวะทุกโทมนัตและอุปายาสนั่นแหละจึงแสวงหายันในเทวดา หรือบางทีก็เพราะอาศัยคติอุบัติปฏิสนที่อาศัยพบอาศัยสงสารอาศัยวัตตะเนี่ยนะเรียกว่าอาศัยเนื่องจากว่าเขามีความทุกข์ในวัตตะที่ที่ว่าสัตว์ที่เกิดมาในวัตตะเนี่ยนะที่ไม่ทุกข์ไม่มีเมื่อได้รับความทุกข์ในวัตตะเนี่ยนะมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้ทานเป็นต้นเนี่ยนะไปบูชายัญเพื่อที่จะนืกว่าตัวเองจะได้พ้นจากสภาพเหล่านั้นเหล่านั้นนะก็ไปขออ้อนวอนประลกประโลกนั่นแหละนันแหละ เขาเรียกอะไนะถักกลางก็เรียกว่าจบะจบซะหน่อยนะจบไปแล้วแต่ว่าขโมกขมบขโมกขโมบนะนะแต่อีสานบ้านเฮากระห้องอะรนระเรียกอะไรนะตั้งความป่าถนาซายทูเดอร์อะไรก็ว่าไปานะนะพ้นกามหรือเปล่ามา น, นูนะ่นเนาะเกี่ยวกันเรื่องกาลกาลเนี่ยนะไม่รูปก็เสียงไม่เสียงก็กลิ่นเนะขอให้มั่งขอให้ ม, ขหมีขอให้รําขอให้รวยเป็นต้นเนี่ยนะขอกันไป มันสรุปที่กล่าวไปว่าฤาษีมนุษย์กษัตริย์พราหมณ์เป็นอันมากในโลกนี้เหล่านี้เขาหวังหวังหวังวัตถุกรรมเนี่ยเพราะฉะนั้นเขามีความทุกข์คือทุกข์ในวัฏฏะคือเพราะชราเนี่ยเขาจึงสแสวงหายันแกัเทวดาสแสวงหาเข้าของไปทำบุญเนี่ยก็เพราะว่านี่แหละเพราะหวังนั่นแหละก็เพราะความทุกข์นะที่มีอยู่ทีนี้ท่านพระปุณกกะก็ทูลถามต่อไปว่า มนุษย์กษัตริย์พราหม์พวกใดพวกหนึ่งนี้มีเป็นอันมากในโลกนี้สแสวงหาแล้วซึ่งยันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระองค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ในรทุ่งผู้บูชายัน์เหล่านั้นไม่ประมาณแล้วในยันได้ข้ามพ้นแล้วซึ่งชาติชราบ้างหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์จงตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์เถิด โอ้โหเขาทํากันจังเลยนะอ่างั้นนะคำถามมาพูดสํานวนไทยเราบอกโ้โหเขาทำกันจังเลยนะเขาบูชาตื่นตะดึกขึ้นมาหุงข้าวใสาบาทเป็นต้นเนี่ยนะแล้วแล้วเขาเขากลัวทุกข์ในวัดถาแบบนั้นเนี่ยนะเขาทํากันขนาดนั้นเอาจริงเอาจังขนาดนั้นเขาพ้นชาติชราบ้างหรือพ้นความเกิดความตายบ้างไหมที่เขาทําทํากันเนี่ยนะของทุกลทัทธิในโลกที่เห็นเกันเนี่ยเขาทํากันอย่างนั้นเขาพ้นความเกิดความตายบ้างไหมเขาพ้นความเกิดความแก่บ้างหรือเปล่า คําถามเขเรียกว่าประเด็นที่จะถามตรง น, นั้นเขาบอกว่าถามเพื่อตัดความสงสยัยการถามเพื่อตัดความเคลือบแคลงถามเพื่อตัดความมีใจเป็น2เป็นการถามเพื่อ ơi, ถามโดยไม่ใช่ส่วนเดียวว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้หรือเนอหรือว่าไม่เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นชไนะเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นบ้างหรื อ, อยังไงเขาเขาไม่ประมาทกันจริงๆนะเขาไม่ประมาทในย<ๆ>ัน <ๆ S 2> นะนะเขาไม่ประมาทในทางยันของเขาอ่ะ คำว่าไม่ประมาทนี่คื อ, อยังไงเขาเนี่ยทำโดยเคารพทำติดต่อบางพวกทําไม่หยุดมีความประพฤติไม่ย่อหย่อนไม่ทอดทุระ น, นะไม่ปล่งฉันทะในทางยันคือประพฤติอยู่ในยันมากไปในทางยันหนักไปในทางยันน้อมไปในทางยันโอนไปในทางยันเงื้อมไปในทางยันน้อมใจไปในทางยันมียันนั่ น, นเป็นใหญ่บางคนเนี่ยถือว่ายันคือการนั่งเขาจะน้อมไปแต่เรื่องนั่ง น, นะ บางคนชอบเรื่องทานก็น้อมไปแต่จะให้ทานบางคนชอบเรื่องศีลก็น้อมไปจะให้ศีลบางคนชอบบูชาไฟก็จะบูชาแต่ไฟอ่ะน้อมไปทำแต่อย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละนะท่านเขาเรียกว่าศไม่ประมาทในทางยันอเอาจริงเอาจังกันมากเพราะนั้นครถามว่าผู้บูชายันเหล่านั้นเนี่ยได้ข้ามพ้นแล้วคือข้ามขึ้นแล้วข้ามทั่วแล้วก้าวล่วงแล้ว ล, ล่วงไปแล้วซึ่งชาติชรามรณะบ้างร มีพ้นทุกกันบ้างหรือเปล่านาะเนี่ยนะทํากันเอาจริงเอาจังเลือะเกินเนี่ยนะพ้นหรือเปล่าในอ่อนวอลเนี่ยขอเป็นลกเป็นลกอยนั่นนะนะสมสมหวังบ้างหรือเปล่าเพราะนักคถามว่ากะมนุษย์กษัตริย์พราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีเป็นอันมากในโลกนี้สแสวงหาซึ่งยันแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นิรุตุกผู้บูชายันเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในทางยันได้ข้ามพ้นแล้วซึ่งชาติชาราบัางหรือ ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ทูลถามปัญหานั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตรัสบอกปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ถ้าเป็นแบบถ้าเราของเราเนี่ยถ้าเป็นของธรรมานะทำพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยจะไปถามพระองค์ว่าเนี่ยลัทธิในของพระพุทธศาสนาทุกวัดเนี่ยไม่เหมือนกันสักวัดเลยเนะวัดไหนมั่งช่วยให้พ้นทุกข์จริงอ่ะ <c oughs> ไปถามกันถามประเภทนี้หลยไม่เห็นว่าเหมือนกันสักอย่างนะ เห็นว่าเหมือนกันก็ปฏิบัติกันคนละอย่างอ่ะนะตอนนี้ดูเหมือนจะว่าพระพุทธเจ้าคนละองแล้วพระธรรมคาสอนกับคนละอย่างคนล ะ, ละที่คนละนิกายนิกายไหนเป็นไปตามคําสอนบ้างะนะนิกายไหนทําให้พ้นทุกข์ได้บ้างข้อปฏิบัติไหนถูกต้องอะนะไปถามพระพุทธเจ้าแบบนี้ถ้าพระองค์ยังอยู่นะตอนนี้ก็ถามพระไตรปิฎกไปก่อนนี่ก็เหมือนกันนะเขาเกิดในสมัยนั้นเพราะว่าหเขาบูชากันจังเลยพวกอาบน้ําก็ตื่นแต่เช้ามาอาบน้ําอย่างเดียว บอกที่ทำเนี่ยเขาบูแล้วแต่เขานับถืออะไรนะเขาขายันก็หมกมุ่นกับการทําสิ่งนั้นนเป็นอย่างมากเลยเรียกว่าไม่ประมาทเพราะฉะนั้นผู้บูชายันเหล่านั้นเข้าไม่ประมาทเนี่ยเขาพ้นความแก่ความเกิดความตายบ้างหรือว่างไนพระองค์ก็บอกว่าชนทั้งหลายย่อมหวังเนีย่ยนะหวังก็หวังอะไรก็หวังวัตถุกรรมหวังกิเลสกรรมหวังเกิดในภพที่ดีเนี่ยเขาชมคือย่อมชอบบูชาย อาศัยลาบแล้วย่อมชอบกรามทั้งหลายเราย่อมกล่าวว่าชนเหล่านั้นประกอบการบูชายันกำนัดแล้วด้วยความกำนัดในภพไม่ข้ามพ้นชาติและชาราไปได้ไม่มีบรรลุเลยว่างั้นน่ะไม่มีใครพ้นทุกข์เลยถามวาที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาหวังอ่ะเขาหวังรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะเนี่ยนะเขาหวังสิ่งที่ที่มันตายเปน่ะแล้วเขาจะพ้นจากการเกิดได้ยังไง คือจริงๆนะทุกคนเหล่านั้นเขาเกิดเข้าแก่เขาเจ็บเขาตายอ่ะสิ่งที่เขาทําบุญเป็นต้นเขาก็หวังเขาก็ปรารถนาแต่ความสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจึงหวังรูปเสียงกลิ่นรสโภชภะหวังบุตรหวังภริยาหวังให้ได้ทรัพย์หวังยศหวังความเป็นใหญ่หวังเกิดในสกุลกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลครือหบดีมหาศาลเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีหรือปรารถนาแม้กระทั่งพรหมโลกเนี่ยนะก็เลยหวังเขาหวังแบบนี้ เมื่อเขาหวังแบบนี้เขาก็ชมชมยันของเขาใหญ่เลยชมว่าเออเนี่ยนะเราเนี่ยให้แต่ของรักให้แต่ของเจริญใจให้แต่ของประณีตให้แต่ของที่ควรของที่เราให้ก็เลือกให้ให้ของไม่มีโทษให้บ่อยมากอ่ะนะเมื่อกําลังให้ใจก็เลื่อมใสเนี่ยนะชอบมากดีใจมากอ่ะนะเนี่ยแหละที่าจะชมยันต อ, อย่างที่เราได้ยินใช่ไหมใครไปทําบุญก็ชอบในบุญที่ตัวเองทําอ่ะนะ บางทีก็ชมผลว่าเออนี่นะอันนี้ผลเนี่ยจะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากนะเราจะได้รูปได้เสียงได้กลิน่นได้รสได้โพติภาได้เกิดในสกุลกษัตริย์พราหมณ์ที่ยิ่งใหญ่แบานั้นได้เกิดในเทวดาชั้นจาตุมเดวดึงยามาดุสิตเนี่ยนะทางแห่งพรหมโลกก็ชมว่าเนี่ยที่ทำอย่างเงี้ยมันจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างงั้นแล้วก็ชมผู้รับตัวเองด้วยนะว่าแหมผู้ที่รับทานของตัวนะเรียกว่าพระทักขินายบุคคลเนี่ยเป็น โกดในตชาติสูงมากชาติพรามเป็นต้นเนี่ยโคตรสูงหรือว่าเป็นผู้ชำนาญมนทรงมนจบไตรเพศนะพร้อมด้วยคำพีนิคันดุกเดตุษาสสร์ประเภทอักษรคำพีอิติหาดเป็นที่ห้าเป็นผู้เข้าใจตัวบทเข้าใจวยาก์ชำนาญในคำพีโลกายตนะและตำราทำนายมหาปริศลักษณะเราช ม, มานะว่าโอ้โหผู้ที่เขาทาบุญด้วยเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆนนะ เรียกว่าถึงฝั่งแห่งพรามเลยนะสายละทิของเขาอะ